ตอนที่หนึ่งร้เจ็ดลูกสาวที่ถูกทอดทิ้งสายตาของหลี่หวันเลื่อนไปหยุดอยู่ที่เด็กหญิงตัวน้อยในอ้อมแขนของเขาเด็กคนนั้นหน้าเหลืองตัวผอมเห็นได้ชัดว่าขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนี่เขาถึงขนาดเลี้ยงลูกไม่เป็นเลยหรืออย่างไรเสี่ยวหวันนี่คือน้องสาวของลูกโจวเจี้ยนเย่ยเอ๋ยพลางเตือนห น, น, นานด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนให้เรียกพี่สาวคุณไม่ใช่พ่อของฉันเธอก็ย่อมไม่ใช่น้องสาวของฉันเหมือนกันอยากให้เธอมาเรียกมั่วซั่วแถวนี้หลีหวันขมวดคิ้วน้ำเสียงดูหังเหินอย่างยิ่ง พูดมาเถอะคุณมาหาฉันมีธุระอะไรกันแน่ข้างลาง่างยังมีคนเท่รอฉันอยู่อีกมากอย่ามาทําให้คนอื่นเสียเวลาเลยพ่อก็มาหาหมอเหมือนกันโจวเจี้ยนเย่ยไม่รู้ว่าเพราะเขาทํากรรมไว้มากเกินไปหรืออย่างไรพระเจ้าถึงไม่ยอมปล่อยเขาไปเสียทีพรากเอาลูกชายของเขาไปคนหนึ่งยังไม่พอตอนนี้ยิ่งจะมาเอาตัวลูกสาวคนเล็กไปอีกเดิมทีโจวเจี้ยนเย่ยตั้งใจจะพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองให้ละเอียด พระคิดว่าผลตรวจของโรงพยาบาลประจําอําเภออาจจะผิดพลาดแต่ผลที่ได้กลับยืนยันอาการเดิมนั่นคือโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดแถมตับของเด็กคนนี้ก็ไม่ดีด้วยถึงได้ดูหน้าเหลืองตัวผอมเช่นนี้หมอบอกว่าต้องรับการผ่าตัดหากไม่ผ่าตัดก็คงรักษาชีวิตไว้ไม่ได้โจวเจียนเยาเล่าอาการคร่าวๆของเด็กให้หลี่หวันฟังเสี่ยวหวันพ่อไม่ได้หวังจะให้ลูกช่วยเรื่องเงินทองพ่อไม่กล้าขอให้ลูกช่วยเรื่องนั้นแล้วแต่ลูกช่วยตรวจเด็กคนนี้หน่อยได้ไหมเห็นแก่ที่เป็นพี่น้องพ่อเดียวกันไม่ว่าอย่างไรเธอก็เรียกเจ ในเมื่อมาหาหมอหลีหวานก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ตรวจนางตรวจชีพจรให้เด็กหญิงตัวน้อยปัญหาค่อนข้างรุนแรงจริงๆหากไม่ได้รับการรักษาเด็กคนนี้คงเติบโตขึ้นมาไม่ได้ดวงตาของเด็กหญิงเป็นประกายใสยจ่ารูม่านตาสีดําขับฉายแววดีใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดูเหมือนว่าตั้งแต่เกิดมาจนโตขนาดนี้เธอจะยังไม่เคยมาสถานที่ที่ใหญ่โตเช่นนี้เลยอืมหลีหวานตอบรับด้วยน้ําเสียง เ, าเบาผลตรวจไม่ผิดพลาดหรอก ส่วนเรื่องค่าผ่าตัดพวกคุณกลับไปหาทางเอาเองเถอะมีวิธีรักษาแบบประคับประคองไหมโจเจียนเย่ถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนตอนนี้ต่อให้ขายตัวพ่อเองพ่อก็คงหาเงินมากมายขนาดนั้นมารักษาเธอไม่ได้หลีหวานสายหน้าวิธีที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดรักษาส่วนแพทย์แผนจีนนั้นเอาไว้บำรุงร่างกายหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วจะดีกว่าไม่ได้จริงๆหรือโจเจียนเย่รู้สึกผิดหวังขึ้นมาทันที เขาพึมพำออกมาเบาๆอื่ไม่ได้หลอกหลหวานมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อว่าตอนนี้ฉันสงสัยว่าร่างกายของพวกคุณสามีภรรยามีปัญหาแน่นอนว่าร่างกายของฉันไม่มีปัญหาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าร่างกายของคุณจะไม่มีปัญหาหากพวกคุณคิดจะมีลูกอีกทางที่ดีควรมาตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบที่โรงพยาบาลทั้งคู่ลูกทั้งสองคนมีปัญหาพิการแต่กําเนิดนา่นแสดงว่าปัญหาของผู้ใหญ่นั้นค่อนข้างรุนแรง เป็นไปได้ว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่เหมาะที่จะมีลูกด้วยกันคงไม่มีลูกอีกแล้วล่ะมุมปากของโจเจี้ยนเยี่ยบปรากฏรอยยิ้มขมขื่นเขาพรางสายหน้าจะทําเรื่องเลวซามแบบนั้นอีกไม่ได้ในเมื่อรู้ว่าพระเจ้าจงใจแก้แค้นฉันฉันจะทําร้ายเด็กๆอีกไม่ได้แล้วหลี่วานหากเขาคิดได้เช่นนั้นก็ดีที่สุดแล้วได้ยินว่าหลิวเคอเคอกลายเป็นคนสติไม่สมประกอบไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาเธอสุดท้ายแล้วมันก็คือโชคชะตาของเด็กคนนี้ฉันคงรั้งเธอไว้ไม่ได้จริงๆ โจจี้เย่ยพูดจบก็ลุกขึ้นพาเด็กหญิงจากไปที่แรกหลี่หวานไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้จนกระทั่งตอนเย็นขณะที่นางกำลังจะกลับบ้านจากโรงพยาบาลก็ถูกเด็กหญิงตัวน้อยเข้ามาพัวพันเข้าจนได้เด็กหญิงวิ่งออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ยื่นมือเข้ามากอดขาของหลี่หวานไว้แน่นที่สาวพี่สาวอย่าทิ้งหนูนะคุณพ่อไม่เอาหนูแล้วหนูเหลือแค่พี่คนเดียวแล้วฮือฮหลี่หวานฟังแล้วรู้สึกเสียวสันหลังว่าหนูพูดว่าอะไรนะพ่อของหนูเป็นอะไร เมื่อกี้คุณพ่อบอกให้หนูนั่งรอตรงนี้สักพักแล้วเขาจะออกไปซื้อของอร่อยมาให้แต่ไปตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาเลยความสามารถในการสื่อสารของเด็กหญิงถือว่าไม่เลวหลี่หวานพอจะเข้าใจเรื่องราวคร่าวๆได้ทันทีโจจี้นเยดทิ้งเด็กไว้จริงๆเขาจงใจเดิมพันว่านางจะใจอ่อนหรือไม่หลีหวานนอดไม่ได้ที่จะแค่นยิ้มเย็นดูถ้าเขายังไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆทำไมพระเจ้าไม่ส่งสายฟ้าลงมาผ่าเขาให้ตายไปเลยนะ หนูจำคนผิดแล้วฉันไม่ใช่พี่สาวของหนูเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหนูอยู่คนเดียวในโรงพยาบาลมันไม่ปลอดภัยเดียวฉันจะไปส่งหนูที่สถานีตำรวจหลิวหวานไม่คิดจะรับภารณีไว้โจเยี้ยนเยี่ยนความรับผิดชอบมาให้นางแล้วเขาก็หนีไปอย่างรวดเร็วโลกนี้จะมีเรื่องดีๆแบบนั้นได้อย่างไรลูกสาวตัวเองแท้ๆเขายังไม่เอานางก็จะไม่สนเหมือนกันพี่สาวแม้แต่พี่ก็ไม่ต้องการหนูแล้วเหรอฮือ <c> ฮ <oughs> ฉันไม่ใช่พี่สาวของหนูฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามาเรียกมั่วๆที่นี่ ก็ได้ทพีไม่อยากให้หนูเรียกพี่สาวแล้วพี่อยากให้หนูเรียกพี่ว่าอะไรหนูจะเชื่อฟังพี่ทุกอย่างเลยไม่ต้องเรียกอะไรทั้งนั้นปล่อยฉันก่อนไม่เอาถ้าปล่อยพี่พี่ก็ต้องทิ้งหนูไปแน่ๆน่ลิวันสูดลมหายใจเข้าลึกๆผู้คนรอบข้างที่มุงดูเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคนอื่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่างก็คิดว่าเป็นพี่น้องทะเลาะ ก, กันดูสิเด็กน้อยร้องให้หน้าสงสารขนาดนี้เธอเป็นที่สาวก็ปลอบน้องหน่อยจะเป็นไรไป ใช่แล้วเด็กคนนี้ร้องให้นานขนาดนี้เดี๋ยวก็เจ็บคอหรอกจะป่วยเอาได้ง่ายๆนะฉันว่าเธอที่เป็นพี่สาวเนี่ยไม่มีความอดทนเอาเสียเลยเธอไม่ใช่น้องสาวของฉันหลีหวันขึ้นเสียงสูงคนอื่นไม่เชื่อแต่นางก็คร้านจะอธิบายต่อไม่เชื่อก็ช่างเจ้าหนูห้ามร้องแล้วนะไม่อย่างนั้นฉันจะทิ้งหนูไว้กลางถนนไม่สนใจจริงๆด้วยหลิหววันคมคูด้วยความโกรธเด็กหญิงตัวน้อยฟังภาษาคนรู้เรื่องพอสั่งว่าไม่ให้ร้องก็หยุดร้องทันที เพียงแต่เมื่อครู่ร้องให้มานานปลายจมูกจึงแดงกับดูแล้วน่าสงสารยิ่งกว่าเดิมหลีหวานไม่มีทางเลือกขณะที่กำลังจะหันหลังเดินไปก็พบกับหยวนเศร้าเหิงที่เดินสวนมาพอดีนางรู้สึกเหมือนเห็นผู้ช่วยชีวิตทันทีพี่หยวนเศร้าเหิงรออยู่ในรถข้างนอกมาพักใหญ่แล้วเห็นหลีหวานยังไม่ออกมาเสียทีจึงคิดจะเข้าไปดูที่ห้องตรวจไม่นึกเลยว่านางจะมาเจอกับปัญหาเข้าไม่เป็นไร หยวนเซาเฮิงส่งสัญญาณบอกหลี่หวันว่าไม่ต้องกังวลเด็กหญิงตัวน้อยคนเดียวจัดการได้ไม่ยากพาเด็กขึ้นรถก่อนเถอะก็ได้หลี่หวันพาเธอขึ้นรถเด็กหญิงนั่งบนรถอย่างเรียบร้อยแต่ทว่ามือยังคงกำเเสื้อของหลี่หวันไว้ไม่ยอมปล่อยพี่สาวเมื่อกี้ฉันบอกหนูแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่ใช่พี่สาวของหนูอย่ามาเรียกมั่วๆไม่ให้เรียกพี่สาวหรือว่าจะให้เรียกน้าดีละ่ะหยวนเซาเหิงเ อ, อ่ยด้วยน้ำเสียงกึ่งล้อเล่นหลี่หวนันคำไม่ออกจริงๆ ที่เดี๋ยวพี่จอดรถที่สถานีตำรวจเลยนะฉันจะส่งเด็กคนนี้ให้ตำรวจการกระทำของโจเจี้ยนเ ย, ย่ถือเป็นการทอดทิ้งบุตรโดยสมบูรณ์ให้สหายตำรวจจับเขามาอบรมให้เข็ดน้องเล่าให้พี่ฟังก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงเดียวพี่ช่วยหาทางออกให้ก็คือหลิวหวานเล่าเรื่องให้เขาฟังพอเล่าจบหยวนเซาเหิงก็เข้าใจทันทีพี่เดา ว, ว่าพ่อของเธอหน้าจะยังไปได้ไม่ไกลหรอก